สักเคกาเมจารู้เปคิริสิขรัตเตจันตาลิเควิมาเนที่เปรทเถจะขาเมตารวนะคาห์เนเคหะวัตุมหิเค ภูมิมาจายันตุพเทวาชาลทละวิสมยยักขันทบพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิกวรกวจนางสาธโวเม นะตุธรรมะสวรกาโลายามพระทานตาธรรมะสวรกาโลายามพระทานตาธรรมะสวรกาโล ย a m p